พระเราที่จะเป็นพระสมบูรณ์แบบขึ้นอยู่กับพระวินัยเป็นหลักประกันพระในขั้นเย่างความเป็นพระทั่วไปตามหลักนิยมของคุธศาสนา การประพฤติทางกายทางวาจามีใจเ ป, เป็นธรรมนำมารับผิดชอบความเคลื่อนไหวของกายวาจาอยู่ด้วยความระมัดระวังเสมอนี่คือพระที่ชอบธรรมตามหลักของศาสตราที่สอนไว้มีเป็นขั้นหนึ่งของความสมบูรณ์ของพระ เจ้าของก็มีความอบกุนคนอื่นมองเห็นก็หน้าเขาเบล่อยใสขั้นที่สองก็คือธรรมจเจริญธรรมขึ้นภายในใจมีสมัติสมถะธรรมหรือสมาธิธรรม เป็นขั้นขั้นด้วยความภาคเพียรและปัญญาธรรมถึงวิมุตติหลุดพ้นเนว่าวิมุตติธรรมทรงไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินัยโดยสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของพระนี้เป็นพระสมบูรณ์แบบเป็นพระที่ควรอย่างยิ่งต่อความเป็นสรณะของโลกได้ ดังพระในครั้งพุทธกาลที่ท่านได้เป็นเจ้นะของโลกด้วยมาพุทธทางสนานังคะฉามิก็คือพระพุทธเจ้าเป็นปูบรรลุวิสุทธทิธรรมอันล่ำเลิศโดยการประพฤติปฏิบัติชอบยิ่งของพระองค์เองทามังสะนังขะฉามิถธรทมอันประเสริฐ เลิศเลอยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกเราปรากฏขึ้นในพระไถยเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งของพระองค์ทั้งครั้งสร้างขาชฉามิได้เกิดความเชื่อความสงสัยในหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนแล้วนำประพฤติปฏิบัติโดยความโอาินเอาจังเนื่องมาจากความเชื่ออย่างถึงใจ การทาทุกสิ่งทุกอย่างย่อมถึงใจถึงใจแล้วก็ถึงสิ่งทั้งสิ่งที่ชั่วมีอยู่ภายในจิตใจของตนมาดั้งเดิมทั้งสิ่งที่ดีซึ่งควรจะเกิดขึ้นได้เพราะความถึงใจในความเชื่อเหตุผลดีชั่วนั้นแล้วประพฤษษะติปฏิบัติด้วยความถึงใจ สุดท้ายก็ปรากฏเป็นสังลังแะนังขึ้นมาอย่างเต็มดวงนี่คือหลักแห่งความสมบูรณ์ของผู้ปฏิบัติตามหลักาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ า, าจริงๆเพราะฉะนั้นาศาสนธรรมจึงไม่ใช่เป็นเครื่องประกาศอยู่ธรรมดาโดยหาตัวจริงไม่ได้ คม ท, ที่ประกาศออกมาแต่แลงแง่และกระทรงของสาธนธรรมนั้นออกมาจากความจริงและพร้อมที่จะแสดงความจริงให้แก่ผู้ปฏิบัติตามตามขั้นตามภูมิของตนอยู่ทุกระยะการจึงเรียกว่าอาการลิโกทาไม่มีการไม่มีเวลาให้ผลได้ทุกเมื่อ จากการกระทำของผู้ไม่เลือกการเครื่องล้อมล้อมพระเราให้สมบูรณ์แบบหรือให้มนุษย์สมบูรณ์แบบก็ไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมสิ่งใดงามก็ต่างไม่ทราบฟึ้งไม่ถึงใจไม่แน่ใจไม่ตายใจไม่อบอุ่นใจ ยิ่งกว่าทำรรทำจริงเลศิศทำจริงประเสริฐกว่าความดีอื่นใดทั้งสิ้นการกล่าวทั้งนี้ออกมาจากหลักความจริงของใจผู้ ร, ร, รับทราบในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งสืบเนื่องมาจากการค้นคว้าการประพฤติธปฏิบัติ จนเห็นผลเป็นที่พึงพอใจแล้วเป็นผู้ไม่สะทกสถานเป็นผู้อาจหารโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันหมดในความรินทั้งหลายไม่มีสะทกสถานเพราะอยู่ในใจนั้นหมดแล้วถ้าเป็นสินค้าก็ออกโชว์ได้โดยไม่เกรง กลัวว่าสินค้าใดจะมาเป็นคู่แข่งได้เลยนี้ตะชนะดะัไปเลยพวกเราทั้งหลายเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติจะห้พยายามสั่งสมคุณสมบัติที่กล่าวมานี้ ให้เต็มหัวใจเถิดด้วยความเพียรทุกแง่ทุกมุกอย่าลดละทอ้อถอยเพราะสิ่งที่แทรกเข้าไปทำลายทมที่เราต้องการนั้นมันมีอยู่รอบหัวใจให้พึงใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งสอดแทรกเพื่อทำลายเหล่านี้ตามหลักสาคนแห่งธรรมท่านเรียกว่า กิเลสกิเลสนะสิ่งตอนนี้แหละคือตัวข้าศึกมีทั้งส่วนใหญ่ส่วนย่อยถ้าเป็นต้นไม้ก็มีทั้งรากแก่ลากฝอยนับไม่ถ้วนถ้าเป็นข้าศึกก็มีทุกระยะทุกขณะของจิตที่ชิดออกถ้าไม่มีสติคอยกำกับ ไม่มีปัญญาคอยพินิจพิจารณาความคิดความตุงที่ออกมานั้นล้วนแล้วได้ออกมาจากรากฐานแห่งความต่ํำซามรากฐานแห่งความเป็นค่าสึกของธรรมทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติไม่ค่อยเฉลต์ตราบุดผลแม้ขั้นยากเพียงขั้นนึกขั้นต่ําเพียงขั้นแห่งความสงบใจของตน ได้บ้างตามการตามเวลาก็เพราะความรู้เท่าทันของเราไม่ทันคุณมยาของสิ่งที่จะระบกวนจิตใจให้หาความสงบไม่ได้ล้วนั่งสมาธิภาวนาอยู่ด้วยเจตนาของเราเพื่อความสงบแห่งใจแม้ขณะนั้น ใจยังสงบไม่ได้เพราะอะไรจริงสงบไม่ได้เพราะกำลังของสิ่งทำลายความสงบนั้นมันเป็นพื้นฐานตั้งรากฐานอยู่ภายในจิตใจก่อนการม่มเพลินทมเราอยู่แล้วรัะฉะนั้นการย่างสติย่างความเพียรปัญญาลงไป เพื่อความเป็นธรรมมีสมถะธรรมเป็นต้นให้ปรากฏขึ้นบ้างยังไม่ค่อยปรากฏเพราะสิ่งเหล่านั้นที่เป็นภัยต่อความสงบนี้มันมีจำนวนมากมันมีกำลังมากคอยบีบคอยขวางแล้วคอยจุดคอยลากจิตที่ มันถือว่าเป็นสมบัติของมันให้เป็นไปตามนาฏของมันเสียจนได้โดยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นเรื่องของธรรมเลยไม่มีในวงสมาธิในวงความเพียรของเราที่กำลังทาอยู่นั้นกลายเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งสิ้ แวความสงบมันก็มีไม่ได้นี่ให้พากันจดกรรมให้ถึงใจวิธีการปฏิบัติระหว่างทำกับเจเลตที่ต่อสู้กันมันมันเป็นอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วที่เคยต่อสู้กันมาแล้วอย่างโชคโช่วทั้งแพ้ทั้งชนะ ทั้งทุกทรมานทุกด้านทุกทางเพราะการต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้ท่านได้ผ่านมาเสียจนช้ำชองล้มลุกคุกครานก็ไม่ทราบว่ากี่ตลกกี่พิกกี่ข้างกี่หนเรื่องเป็นบทเรียนทั้งนั้นที่ผ่านมาแล้ว แพ้สิ่งที่ต่ำในเบื้องต้นนี้แต่แพ้อยู่เรื่อยๆอย่างนั้น้าความพอจะชนะบ้างเล็กๆน้อยๆพอให้ใจได้รับความสงบนี้ไม่ค่อยมีฉะนั้นจึงพูดกันติดปากโดยไม่เห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษซึ่งปรากฏอยู่ภายในจิตใจนั้นว่าการทำสมาธิภาวนาจิตไม่รัวงจิตไม่สงบ นั่งพายมันก็ไม่สงบดังนี้เป็นต้นมีอยู่ทั่วัูวไปในวงนักภาว น, นาไม่ว่าพระและขรววาแต่พอแย้มออกมาเท่านั้นถ้าเป็นผู้ที่เคยผ่านเป็นผู้เคยปฏิบัติต่อจิตตภาว น, นาที่เรียกว่าการต่อสู้กับข้าศึกเป็นขั้ น, นตอ น, ตอน ไปแล้วรู้ไปแล้วผ่านไปแล้วจะต้องทราบทันทิว่นนี่คือพูดออกมาตามเรื่องความโง่ของตัวเองที่ไม่ทันแม่เดี่ยมของยิเรศทั้งมวลไม่ใช่เพราะอะไรเพราะสติปัญญาของเรายังไม่มีกำลัง แล้วยังไม่ทราบด้วยว่าสติเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรจรึงไม่อาจจะทราบว่าสิ่งที่เป็นค่าสิกต่อความสงบนั่นคืออะไรจรึงเมาเอาทั้งตัวเลยว่าวันนี้จิตไม่สงบไม่ทราบไปยังไนงนั่งภาวนาเท่าไหร่ยิ่งยุ่งไปหมดดูเฉยเฉยไม่เห็นยุ่งเหมือนนั่งภาวนา พอนั่งภาวนาเาท่านั้นเหมือนกับไปเหมือนกับสร้างความวุ่งเยิงวุ่นวายให้แก่ตัวน่อยความจริงนี้ก็มีแง่อันหนึ่งถ้าเราใช้ความพิจารณาก็พอทราบได้ขณะที่เราไม่นั่งภาวนาเราว่าเราไม่ยุ่งนั่นมันยุ่งเสียจนไม่มีสติสตังเพ่อที่จะจับติตเอาแง่ใดตอนใดของสิ่งที่มาทำลายตนเองให้เกิดความวุ่นวาย เกินกว่าสติปัญญาของเราจะทราบได้จึงไม่ทราบได้ว่าวุ่นมากน้อยอย่างไรยุ่งมากน้อยอย่างไรในขณะที่อยู่ธรรมดาแต่พอเริ่มทําสมาธิภาวนาเพราะเป็นการที่เริ่มตั้งใจเริ่มระมัดระวังจิตก็ได้ทราบว่าจิตมันวุ่น เพราะแต่ก่อนไม่ได้สนใจไม่จดจ่อก็ไม่ทราบนี่มันมีเงื่อนที่จะให้ทราบกันอยู่ในวงความเปลี่ยนแม้สติจะมีน้อยกว่ายังพอทราบได้ว่าอีกนี้วุ่นวายและวุ่นวายยิ่งกว่าเวลาธรรมดาซะอีกเวลาธรรมดามันก็คนไม่มีสติเหมือนอย่างคนไข้ที่หมดสติภายในตัวแล้วจะไปรู้ทุกขเวทนาได้อย่างไรมีแต่และเมือเพ้อฝันไปต่างๆนาน า, นาน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 ร้อยทั้งร้อยออกมาจากอาวิชาทั้งนั้นอันนี้ว่าอวิชาปฏิยาสร้างข่าราสังขารประเภทนี้เป็นสังขารสมูทัยที่ออกมาจากตัวสมูทัยแท้คือเป็นเครื่องมือของสมุทัยได้แก่อวิชาพอสแสดงออกมาเป็นความคิดความปรุงก็เป็นลวดลายของกิเลสไปเกี่ยทั้งนั้น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 ที่เหมาะกับจติติของตนและถนัดกับใจเข้ามาบริกรรมการบริกรรมนั่นก็คือความคิดความปรุงประเภทหนึ่งแต่ความคิดความปรุงประเภทนี้ท่านเรียกว่ามักเพราะทำเป็นผู้บงการให้คิดให้ปรุงบังคับจิตที่มันจะคิดไปตามคิดนอกลู้นอกทางไปตามเรื่องของสมุทยัยให้กลายเป็นความคิดเป็นมัก เพื่อความสงบใจเช่นพุโทโธพุธโทโธหรือการกำหนดจดจ่ออยู่กับลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยความมีสตินี่ก็เป็นการหักห้ามความคิดที่เคยเดินไปตามแถววัตตจักวัตตะบให้เดินตามทางของธรรมที่เรียกว่ามานั่นนะ่ะคำว่าสังขารจินแยกกันได้อย่างนี้ สังขารฝ่ายสมูทายนั้นคิดขึ้นมาโดยลำพังตนเองเป็นอัตโนมัติเพราะอานาจของอวิชชาเป็นผู้มีกำลังกล้าสั่งงานออกมาสังขารที่คิดขึ้นดนว่อความเป็นธรรมได้จากความคิดความปรุงเปลี่ยนจากความคิดที่เป็นสมูทายให้มาเป็นความคิดในทางธรรมเช่นพุทโธพุทโธ หรือทำบทใดก็าตามมีความรู้กำกับอยู่กับคำ้บุกรรมนั้นสติกำกับอยู่กับนั้นรู้สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่กับคำบ้บริกรรมนั้นนี่เรียกว่าสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารของสายมากักเป็นผู้พาให้ทำงานสติเป็นผู้ควบคุมความคิดความปรุงอัน น, นี้อย่างน้อยให้มีสติก่อน ปัญญาค่อยพูดทันทีหลังเมื่อได้ใช้ความพยายามอยู่อย่างนี้เรื่อยๆความคิดความปรุงที่เป็นฝ่ายสมุทัยก็ไม่มีทางที่จะแสดงตัวออกมาได้เพราะจิตนี้ถูกบังคับให้ทำงานในด้านของธรรมะไม่ได้ถูกบังคับให้ทำงานในด้านสมุทยัย เหมือนปกติธรรมดาที่เคยคิดเคยทำงานอยู่แล้วด้วยอำนาจของวิชาเป็นต้นเหตุติดย่อมได้รับความสงบนี่แหละชนะกันที่ตรงนี้ถ้ามันจะปรุงจะแต่งออกไปก็ขยาบความคิดความปรุงที่เป็นด้านอัตธรรมคือคำาบริกรรมนั้นให้ทียิบเข้าไปจนไม่มีช่องทางความคิด ไฟต่ำที่จะแทรกเข้ามาแล้วมาฉุดลากจิตออกไปสู่ภาพแห่งความคิดปรุงออกมานั้นให้หลงเชื่อให้หลงเคลินไปตามความคิดนั้นๆความปรุงนั้นๆจิตก็สงบตัวได้มเมื่อจิตสงบตัวได้เรื่องความสุขเมื่อไม่มีอะไรบวนแล้วทำไมจะ ไม่สงบไม่ไม่เย็นเท่าที่จิตหาความสงบหาความเย็นหาความสบายไม่ได้ก็เพราะถูกยุ่ยแย่ก่อกวนอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันด้วยอํา น, นาจของสมุไทยพาให้เป็นไปอยู่นั้นโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่การผูกจิตจริงเป็นเรื่องลําบากเพราะข้าศึกที่มีอยู่ภายในที่คอยจีดคอยการคอยทําลาย ทำนั้นมีอยู่มากเกินกว่าที่จะคิดจะคาดจะหมายนอกจากจะ ก, กลายไปเป็นเครื่องมือของมันอยู่ทุกระยะเวลาที่คิดที่ปรุงเท่านั้นสาหรับผู้ที่ยังไม่มีสติปัญญาพอจะต่อสู้มันได้ต้องยอมรับเป็นทาตของมันไปก่อนนี้เมื่อพยายามทําดยความตั้งอกตั้งใจ มีวันหนึ่งจนได้ที่จะเห็นได้อย่างชัดชัดว่าจิตนี้ได้สงบตัวลงไปจนกระทั่งขาดหมดจากทุกสิ่งทุกอย่างความปรุงความแต่งแม่ที่สุดกับขันก็เห็นได้ชัดว่าไม่สืบต่อกันเลยเหลือแต่ความบู้รุนรุนคำว่าไม่สืบต่อกันเลยในขณะนั้นได้แต่ขันก็สงบตัวจิตก็สงบตัว ไม่เกี่ยวข้องพัวพันกันนี่หมายถึงขั้นสมาธิเท่านั้นไม่ได้หมายถึงขั้นวิมุตติพ้นคำว่าขาดจากกันนั้นเป็นคณิกะชั่วขณนะก็เห็นได้ชัดเพราะอำนาจแห่งการปรึกฝนอำนาจแห่งการต่อสู้อำนาจแห่งการตัดฟันสิ่งที่เกี่ยวโยงจะทำให้เกิดความยุ่งเห ย, ง ย, งยิงวุ่นวาย ข่าดับไปโดยลำดับลดบดววาดับด้วยวิริยะธรรมของเรากํากับหรือแนบสนิท ด, ดูกับคำบริกรรมหรือกับอนาปานาาัสสติเป็นต้นนี่นการฝึกฝนจิตที่ว่ายากไม่ใช้อะไรพาให้ยาก ฟังให้ถึงใจที่พาให้ลำบากในการประกอบความเพียรไม่ว่าจะเป็นอิยาบทนั่งอิยาบทเดินอิยาบทยืนอริยาบทนอนเพื่อความเพียรไม่ใช่นอนเพื่อหลับมันเป็นการต่อสู้กับสิ่งที่เคยเนี่ยมนาศครองหัวใจมานานทั้งนั้น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 ความทุกประเภทนั้นยิ่งมีน้ำหนักยิ่งร้ายยิ่งกว่าความทุกเ พ, เพราะการประกอบความเพียรเพื่อถอนสิ่งเหล่านั้นเป็นไหนๆด้วยเหตุนี้เราจรึงไม่ควรจะไปคิดเห็นการประกอบความเพียรว่าเป็นความลำบากลาบนแล้วท้อถอยอ่อนใจอ่านเป็นเรื่องของฝ่ายต่ําแทรกเข้ามาเรียกรองจิตใจ ให้ลดละความภากเย่นแล้วกลับไปเป็นบริวารของมันอย่างสนิทที่ตนที่แก้วตัวไม่รู้นี่แหะความแหลมคมของสิ่งต่ำความละเอียดละออของสิ่งต่ำความเรียยกรอมของฝ่ายต่ำนั่นเกี้ยกรอมจิตอยู่ตลอดเวลาจึงต้องอาศัยความน้มัดระวังอา ศ, า ศ, า ศ, าศัยสติปัญญา มีท่าทางแห่งการต่อสู้อยู่เสมอไม่ว่าอิริยาบถใดนี่คือผู้ที่จะรื้อถอนตนออกจากทุกข์ให้เห็นประจักษ์ใจต้องดำเนินด้วยวิธีการอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าสมัยใดั้งพุทธการกิเลสทุกประเภทต้องเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคง เคยเป็นจะอมนาจครองหัวใจของสัตว์โลกมานานจึงต้องต่อสู้กันด้วยความยากความลาบากลําบุญเลื่อยมาไม่ใช่จะลําบากเฉพาะข้างนี้สบายมาแต่ข้างโ น, น้นไม่ต้องตระกอบความเพียรยากลําบากอะไรเลยกิเลสก็ขาดไปหลุดไปหลุดไปหากเป็นอย่างนั้นแล้วสัตว์ทั้งโลกก็ กลายเป็นผู้วิเศษวิโสหลุดพ้นจากทุกข์ไปหมดไม่มีใครที่จะยอมมานอนจมอยู่ให้ทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งนี้ไม่พึงปรารถนาเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เหยียบย่ำทำลายพาให้แสดงผลออกมานี่เลยนี่เป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรทุกประโยค์จึง ให้ระมัดระวังสิ่งที่จะคอยแทรกมาเป็นเจ้าตัวการมาเป็นเจ้าของแบบจอมปลอมที่เราไม่รู้ทุกระยะอย่าได้เผอตัวมันแทรกอยู่ทุกระยะเหตุใดเราจึงจะทราบได้จะทราบได้ด้วยความพยายามในทางความเพียน ทางสติทางปัญญาของเหล่านี้จนได้และค่อยทราบไปโดยลำดับไม่สงสัยวันไหนจิตใจผาาโผนให้ทราบว่าวันนั้นแหละเป็นวันที่กิเลสท้าทายธรรมะอย่างยิ่งเป็นเวลาที่กิเลสเหยียบย่มทําลายจิตใจของเราซึ่งเป็นสมบัติอันล้นค่าอย่างยิ่ง เราจะปล่อยให้กิเลสหยยบย่ำทำลายจิตใจซึ่งเป็นของมีค่าอย่างยิ่งของเราทั้งๆ ท, ที่เรามุ่งที่จะให้ทำครองใจอยู่แล้วนั้นให้ขาดลอยไปตามกิเลสเสียทั้งสิ่นนั้นสมควรกับความมุ่งหมายกับเจตนาของเราแม่นิดหนึ่งบ้างไหมเราต้องตั้งปัญหาถามตนเสมอ การรบการฝึกการทรมานตนที่เต็มไปด้วยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายอยู่ภายนานใจนี้ยังเป็นสิ่งที่ฝึกสิ่งที่ทรมานยากหนักหน่วงแต่ไม่หนักยิ่งกว่าการนอนจมอยู่กับกิเลสกิเลสสร้างกองทุกข์เยียบย่ำทำลายเรื่อยมาทุกพบทุกชัดอันนั้นหนักมากยิ่งกว่านี้ แลวหนักไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีการสถานที่ว่าจะหลุดพ้นไปได้เมื่อใดแต่ความทุกข์ความลำบากเพราะการประกอบความภาคเพียร น, นี้นั้นแม้จะยากลำบากขนาดไหนก็มีวันที่จะผ่านพน้นทุกเพราะความเพียรทุกเพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่าทหลายนี้ไปได้โดยลำดับจนกระทั่ง หมดทุกขทางใจไม่มีเหลือเลยเพราะกิเลสซึ่งเป็นผู้สร้างทุกภานในใจนั้นได้สิ้นรากลงไปแล้วหากจะมีทุกข์เหมือนโลกทั่วไปอันปฏิเสธไม่ได้ก็มีเพียงทุกข์ในขันใครๆก็มีได้แต่ไม่สามารถที่จะเข้าเหยียบย่ำทาลายจิตใจไม่สามารถที่จะ ประสาปปสานเป็นหอกเป็นเหล่าทิ่มแทงหัวใจได้เหมือนอย่างแต่ก่อนเลยกลายเป็นเรื่องศัจธรรมไปหมดร่างกายมีความเจ็บปวดแสบร้อนเจ็บท้องปวดศีรษะพื้นที่ตรงไหนีิกลวีการตรงไหนใจก็รับทราบเองโดยหลักธรรมชาติไม่ซ่มทราบไม่ไปเกี่ยวข้องผัวพันเป็นปกติอีกในหลักธรรมชาติ ที่บริสุทธิ์แล้ว น, นี่นนี่ะที่ว่าพระธินาศกท่านท่านเสวยบา ก, กับขันท่านไม่ได้เสวยแบบซึมซาบเพ่งเพีย ง, ย, งยอมรับทราบกันว่าขันนี่มีทุกข์แต่ท่านก็ทราบโดยหลักธรรมชาติอย่างชัดเจนอีกเหมือนกันว่า คำว่าขันมีทุกข์ก็สัตว์แต่ว่ามีตัวขันเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองเช่นร่างกายเป็นทุกข์เมื่อกําหนดดูความทุกข์ในร่างกายหรือกําหนดดูกายที่ว่าเป็นทุกข์นานกายก็ไม่มีความหมายของไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์ทุกข์ที่แสดงอยู่ในร่างกายเวละนั้นในขันเวลานั้น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 เรียกว่าต่างอันต่างจริงอยู่เท่านั้นมีความรับผิดชอบกันไปตามการพอถึงอาวาสานแห่งสมมุติที่จะสลายตัวลงไปสู่ความจริงของเขาก็ปล่อยตามสภาพของมันหมดความรับผิดชอบในขณะนั้นจิตที่ไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนแล้วก็ ไม่มีปัญหาอะไรนั่นแหะที่โลกทั้งหลายว่าหรือพวกเราเข้าใจว่าท่านเสวยทุกขท่านไม่ได้เสเวยพระพุทธเจ้าภาษาวกไม่สวยทุกเวทนายกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้ า, าเสด็ดจจะไปปริพาน เมืองกุชินาลาเมื่อเสด็จไปถึงระหว่างทางตรงกระหายน้ำและอ่อนเพลียในธาตุในขันความกระหายน้ำนั้นก็คือความบกพร่องความต้องการของขันว่าต้องการน้ำมาเยียอยาความอ่อนเพลียก็คือเรื่องของเวทนาในขันหากพักผ่อนบ้างแล้วก็จะ เป็นการบรรเทากันไปพระองค์จึงตรัสเรียบตรัสส่งผราอนุลให้ไปตักน้ำมาให้เราเดื่มอ น, นุลเราก็หายน้ำนะคำว่าเราในฐะานะที่นี่ก็หมายถึงว่าขันที่เรารับผิดชอบอยู่นี้มันต้องการน้ำออขันที่เรารับผิดชอบอยู่เวลานี้มันต้องการพักผ่อนต้อง การความสนับสนุนเพราะพอบันเทาความอ่อนเพลียนี้ด้วยการพักผ่อนความหมายอย่างแค่จริงเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายิึงว่าอานนตักน้ำมาให้เราดื่มเราหิวเราก็หายเราเสเวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการกระหายน้ำเราเสเวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการอ่อนเพลียของขันไม่ได้หมายอย่างนั้น นั่นเป็นเรื่องของชาโลกที่มีกิเลสซึ่งไม่เคยทราบความจริงระหว่างขันธ์กับผิตของผู้บริสุทธิ์ว่าเป็นอย่างไรจึงต้องเมาเอาทั้งหมดว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงสวยทุกไม่ทรงสวยทุกท่านจะรับสั่งทำไมอย่างนั้นอย่างนี้พูดออกมาได้เพราะความเข้าใจของตัวเอง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 ขันนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟใจอยู่ในท่ามกลางแห่งขันใจก็เป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟไปกับธาตุกับขันนี้เลยเป็นเพียงรับผิดชอบซึ่ง ก, การอยู่เท่านั้นอาการของท่านผู้บริสุทธิ์กับอาการของสามัญชนทั่วไปที่แสดงเหมือนเหมือนกันในทางกิริยาก็มีอยู่ เป็นแต่เพียงว่าจิตใจนั้นต่างกันเช่นเดินไปกำรื่นจะหกลม้มท่านจะพยายามช่วยตัวเองจนกระทั่งสุดความสามารถไม่พอหกลม้ามก็ไม่ยอมให้หกลม้มจนสุดวิสัยถึงกะยอมหกล้มลงไปนี่เป็นสรรชาตยานแห่งความรับผิดชอบของจิตที่มีต่อขันต่างหา ไม่ใช่ความกลัวตายไม่ใช่ความตกกกตกใจสะทกสถทานกลัวล้มกลัวเจ็บท่านไม่มีอย่างนั้นหากเป็นสรรแทปยานที่รับผิดชอบกิริยาจึงแสดงเหมือนกันหรือเดินไปตามทางมองเห็นหนากไม้คล้ายกันกับงู กำลังจะเหยียบย่างลงไปที่ตรงนั้นพอมองเห็นนั้นเข้าใจว่าเป็ น, นูท่านจะโดดทันทีโดดจากจุดที่จะเหยียบตรงนั้นไปที่อื่นทันทีนี่ก็เป็นกิริยาอันหนึ่งแต่จิตใจไม่ได้สะทกสะทานไม่ได้กลัวเหมือนอย่างสามัญชนทั้งหลายกลัวจนตัวสั่นจิตใจวูบวาบ เป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกับใจทั้งดวงนีจ้จะถล่มล่มจมไปในขณะนั้นด้วยความกลัว<ม>กิริยาที่แสดงนั้นเหมือนกันแต่ใจท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้น<ม>อันนี้เหมือนกันไม่ว่าพุทุชนคนสามัญเราธรรมดาไม่ว่าพระรหันต์กิริยาอันนี้เหมือนกัน<ม>ที่ต่างกันก็เพียงใจเท่านั้นท่านไม่สะทกสะทานหากเป็นธรรมชาติ แย่งความรับผิดชอบเรียกว่าสัรชาติยันมันเป็นอย่างนั้นการหัวเราะไม่ีเหมือนกันแต่ก้เป็นจิริยาไม่ยังไปถึงจิตไม่ทำจิตให้โอนเองไปตา่างหรือให้ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้เช้าหมองไปตามกิริยาอย่างนั้นเลยนี่คือความผิดกันสิ่งเหล่านี้จะทราบได้จากวงปฏิบัติตเฉพาะอย่างยิ่งทราบได้จากผู้ปฏิบัติต่อจิตใจของตนเองทำละซักพอกไปโดยลำดับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจจะค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อย อาการของกิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากฝ่ายต่ำกลายเป็นฝ่ายสูงจากชั่วกลายเป็นฝ่ายดีจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายกลายเป็นความสงบเย็นใจจากความสงบเย็นใจกลายเป็นความผ่องใสาปากลายเป็นความเฉลียวฉลาดโดยอุบายทางปัญญาไปเรื่อยๆ สิงที่เกี่ยวข้องอยู่กับใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอาการของใจที่เป็นไปเพวาความแยบคาในทางที่ดีที่เรียกว่ามร์ก็มีความละเอียดละ อ, อเข้าไปเช่นสติก็รู้ได้เร็วปัญญาก็พลิกแปลงเลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวให้ทันกับเหตุการณ์ได้เร็วและรวดเร็วเป็นลําดับลํำดั บ, ดดบจนจุดท้ายก็เรียกว่ามหาสติมหาปัญญาได้อย่าง เต็มปากหรือประจักษ์ใจไม่สงสัยอื่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมล้ลมลุกคุกขานมาจากความล้มลุกคุกขานนั่นแหละจนจะมาถึงท่านนี้ถ้าพูดถึงเรื่องกองทุกเพราะการประกอบความเพียรมันเป็นด้านวัตถุแล้วเราจะเอาไว้ที่ไหนมันก็เต็มความทุกอันนี้ความทุกเพราะการประกอบความเพียรเพราะการต่อสู้กับ ขิมเลวร้ายทั้งหลายภายในใจิตใจหากไม่ใช่วัตถุพอทุกเกิดขึ้นมันก็มีการดับไปทุกมากทุกน้อยเพียงไรมันก็มีการเกิดแล้วดับไปเช่นเดียวกันจึงเมื่อปรากฏแต่ทุกเราแห่งความเปลี่ยนที่ประกอบมาโดยลํำดับจนถึงขั้นที่กล่าวว่ายมุตถุท้นเพราะอํานาจแห่งความเปลี่ยนซึ่งเต็มไปได้ทุกด้วยกันนั้น ทุกเหล่านี้เราจะไปเทียบกันกับทุกที่จิเลศภาสร้างขึ้นมาในพบน้อยพบใหญ่เป็นวัตตจักวัตตะวนหมุนไปเวียนมาของจิตดวงเดียวของบุคคลคนเดียวนี้เทียบกันไม่ได้เลยถ้าจะเทียบก็เหมือนอย่างทุกที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภากเพียนของเหล่านี้เท่ากันกับ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 ในขนาประกอบความเพียรเท่ามะพร้าวลูกหนึ่งนั่นอันไหนจะหนักมากกว่ากันภกเรากิเลสสร้างให้เราได้รับได้แบกได้หามนี่หนักเท่าแผ่นดินทั้งแผ่นนี่อันไหนหนักกว่ากันเราต้องคิดต้องยอกย้อนเทียบเหตุเทียบผลเพื่อหาทางออกแก่ตนเองด้วยสติปัญญาสมกับธรรมของพระพุทธเจ้าซอนในคนฉลาด กิเลสสอนให้คนโง่สอนให้คนล่มจมธรรมะนี่สอนให้คนฉลาดสอนให้คนปลดเรื่องตนออกจากอำนาจของกิเลสซึ่งพาให้ล่มจมนั้นโดยลำดับลำนับเราจะเอาทางไหนเราเป็นนักธรรมะต้องใช้อุบายวิธีสติปัญญาเทียบเทียงเหตุผลเพื่อหาทางออกเสมอจึงชื่อว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อความฉลาดจะแก้กิเลสได้โดยลำดับ ความไม่ฉลาดแค้กิเลสไม่ได้เพราะความไม่ฉลาดเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วที่สอนคนให้โงกตัวกิเลส จ, จริงๆไม่ได้โงกฉลาดยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแล้วธรรมของพระเจ้าจริงๆก็ฉลาดเหนือกิเลสไม่ฉลาดเหนือกิเลสปราบกิเลสไม่อยู่ค้ากิเลสไม่ตาย นี่พระพุทธเจ้ากีพระองค์เคยฆ่ากิเลสให้พินาศิพหายมาแล้วเพราะรรมมีสติปัญญาธรรมเป็นต้นและสาวกทั้งหลายที่ได้หลุดพ้นจากทุกมามีจำนวนมากเท่าไหร่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีสาวกมากน้อยเน่ไหร่ ประมวลมาแล้วจะมีมากเทลายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ค่ากิเลสให้คิดหายล่มจมลงไปจากบิตใจด้วยอำนาจแห่งธรรมทั้งนั้นเอามาเทียบเทียวเราเป็นนักปฏิบัติเพื่อถ้าเด็กตามรอยพระบาทที่พระ อ, องค์ทรงดำเนินไปแล้วอย่างไร อันเป็นมหาสิริมงคลอย่างยิ่งแก่พระองค์และชาโลกทั้งหลายท่านดำเนินอย่างไรเราอย่าไปคิดเพียงแค่สุขเอาเผาขินเท่านั้นอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าสวมรอยไม่รู้สึกตัวนั่งถ้าจะมันงกง่วงก็ให้เปลี่ยนอิริยาบทฝืนกันกิเลสมีอยู่ภายในใจต้องได้ฝืนใจการคล้อยตาม ความต้องการนั้นคือคล้อยตามกิเลสยอมรับอุบายวิธีการของกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวมันเผลอด้วยวิธีใดตั้งใจอแท้ๆนั่งภาวนาทําไมมันเผลอได้มันจะเผลอไปไหนสติเรามีอยู่เราไม่ใช่คนบ้าตั้งสติให้มันติดมันต่อกันอยู่กับปัจจุบันธรรมระวัง อวิชามันจะผลั ก, กันความคิดความปรุงว่าภาพน้นภาพนี้ขึ้นมาในถ้ำกลา ง, แ ห, งแห่งการภาวนาของเราแล้วติดไปตามร่องลอยหรือร่างแห่เพรมันเป็นภาพนั้นภาพนี้ภาพอดีตอนาคตภาพหญิงภาพชายภาพความมืนเริงมันเพิงภาพความเศร้าโศกเสียใจระ ว, วังให้ดีนี้เป็นภาพของอวิชาหลอกทั้งนั้น ในวงความเพียนยาเสียดายภาพเหล่านี้อยาเสียดายความปรุงเหล่านี้เราเคยปรุงเคยแต่งมามากแล้วด้วยอำนาจของฝ่ายต่ำที่มันกดขี่จิตใจเราพาให้ปรุงคราวนี้เราจะรักษาจิตใจด้วยอำนาจแห่งธรรมไม่เสียดายความคิดความปรุงใดๆโลกนี้เหมือนไม่มีมีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันอยู่เท่านั้นท่าผู้บริกรรมภาวนา ให้รู้อยู่กับคำบริกรรมไม่คาดไม่หมายถึงเรื่องผลมาจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรธรรมะขั้นต่ำขั้นสูงเพียงไรยิ้มุดุดูดพ้นไปอย่างไรายาาคิดให้เสียเวลาเวลายิ่งกว่าความจดจ่อต่อเนื่องกับงานของเราในวงปัจจุบันด้วยสตินั่นแหละถูกต้องเป็นจุดที่จะได้ชัยชนะ เป็นจุดที่จะรับความผาสุกเย็นใจในการประกอบความภาคเปี่ยนแท้นี่หมายถึงเรื่องจะพยายามทําจิตใจให้สงบให้จริงจังต่องานของตนทุกระยะของงานทุกขั้นของงานอย่าปล่อยตัวอย่าเผลอตัวความเผลอตัวความป่วยตัวเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบแทกอยู่ทุกแง่ทุกมุมเราต้อง มีอุบายวิธีสติสตังรอบตัวอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตัวเพื่อชนะกิเลสนี่เป็นขั้นเริ่มแรกมีความยากความลำบากเป็นธรรมดาด้วยกันแม้ผมเองที่เคยที่แสดงให้หมู่เพื่อนฟังอยู่เ๋ยวนี้กอดโดนมาเสียจนทากจะเทียบแล้ว ท่อนน้อยท่อนใหญ่ชินน้อยกินใหญ่ขาดกระจุดประกาจายแต่เพราะ อ, อํานาจของกิเลสมันฉุดมันลกไปโดยที่เจ้าตัวไม่มีความรูม้ความสามารถจะยับยั้งตัวไว้ได้ทนกําลังของกิเลสไม่ไหวเป็นแลได้ด้วยกันอย่างนี้เคยเป็นมาแล้วบางทีเกิดน้อยเนื้อน้อยใจเน อ, อ่ะตัวมีอํานาจวาสนาน้อยทาความเพียรแทบล้มแทบตาย นี้แต่ความยุ่งเหยิงยุ่นวายฮามากฮามันจะเกิดขึ้นก็ไม่มีนันมันกล่อมแล้วแต่เราไม่รู้นะว่านี่คื อ, อเรื่องของกิเลสกล่อมให้ถอยแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งมันพลิกกลับใหม่อ้าวครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นผู้แบกกิเลสจุดจ้าหน้าของกิเลสกิเลสบังคับบัญชามาด้วยกันทําไมท่านนันด้วยกันทั้งนั้นทําไมท่านจึงสามารถทําได้เรานี่บวชมาเป็นลูกศิษยสาโคตร เพื่อจะดาเนินตามรอยพระบาทและตามรอยเท้าของครูอาจารย์ที่ท่านดาเนินไปเหตุใดจึงต้องมาคิดเช่นนี้แล้วคิดช่นนี้มันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรแก่เรานอกจากจะให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแล้วจะทำย่างไงมันพลิกเข้ามามีไฟไฟมายมันพลิกเข้ามาเอาจนได้นี่นี่แหละมาถึงขัน้นลำบาก ในขั้นเริ่มแรกนี้มีอย่างนี้ส่วนมากเป็นอย่างนี้ในวงปฏิบัติเวลาท่านประกอบความพากเพียงอยู่ท่านทุกยากลาบากขนาดไหนเช่นครูอาจารย์ผู้ปรากฏชื่อหรือนามเท่าที่เคยได้สัมผัสสัมพันธ์สัมภาษณ์กับท่านแล้วไม่ว่าองค์ไหนอยากจะพูดว่าเป็นเสียงเดียวกันหมดนี่คือคือว่าในขั้นที่มัน ทุกทรมานในขั้นที่ยากลำบากเพราะไม่รู้หน้าที่การงานของตนไม่รู้วิธีาทากิเลสมันแยกทายกว่าจริงต้องแพ้เอาแพ้เอาหลุดลุยไปเลย <c oughs> ล้มละเลนานานตั้งแต่นักปฏิบัติความภาคเพียนในขั้นนมแดบดบถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายตกเวทีแห่งความเพียรไปด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่เมื่อ ถ้้ความพยายามไม่หยุดไม่ถอยเอาจริงเอาจังอยู่เสมอก็มีลุกได้ตั้งได้หยิดไม่เคยสงบก็สงบได้อ้าวพอหิุสงบได้ได้เห็นแล้วที่นี่ผลประจักษ์เป็นพยานขึ้นมาแล้วความเพียรก็มีขึ้นมาเองเพิ่มขึ้นมาเองศรัท ธ, ธาความเชื่อในผลที่ปรากฏขึ้นพาย น, นใจนี้ อย่างลงไปแล้วนั่นนะที่นี่เป็นเครื่องเสริมความเพียรความอดความทนที่จะให้รู้ให้เห็นอย่างที่เคยรู้ก็เห็นและยิ่งกว่านี้ที่เคยเห็นแล้วนี้มันก็เพิ่มขึ้นเพิๆๆ่มขึ้นนั่นนะเป็นเครื่องสนับสนุนที่นี่ถึงกิจจะวุ่นขนาดไหนก็ตามความไม่วุ่นความสงบเย็นใจอย่างอัศจรรย์เราเคยได้เห็นแล้วนี่เราจะเอาให้เห็นอย่างนั้นห ร, หรือหรือละเอียดยิ่งกว่านั้นไม่ถอยนั่นะเพิ่มแล้ว นั่นะพอได้เห็นผลเท่านั้นมันก็เพิ่มความเพียรวิริยะความเพียรก็เพิ่มขันติความอดความทนมาพร้อมๆกับต่อไปก็จิตสงบได้พอจิตสงบได้และเห็นคุณค่าของศาสนาและที่นี่ไม่เพียงแต่ว่าเชื่ออย่างแบบซุ่มเดาดีไมด่ดีมันตําหนิศาสนาด้วยตําเพราะกิเลสกับกับทรรเป็นค่าสึ ก, กันมันต้องตําหนิศาสนา ทั้งทั้งที่มันก็่าตัวเองในขณะตำหนินั่นแหละวิเลรมันเคยฆ่าคนมันต้องฆ่าเราเราไม่รู้คนมาย า, ข, า, าของมพอปากดผลขึ้นมาแล้วที่นี่เชื่อละอยังละทียังเชื่อในศาสนาเห็นละเอียดละออรู้ละเอียดลอเข้าไปเพียงไรด้วยกิตติภาวนายิ่งทราบซึง้ง เรื่องความเพียรดังที่กล่าวมาเป็นต้นนมาพร้อมๆกันหยุสงบแล้วเย็นคิดวุ่นเคยคิดวุ่นวายไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นรดเครื่องสัมผัสอดีตที่เคยเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนสังคมหญิงชายมามากน้อยเพียงไรมันหดตัวเข้ามาหมดไม่ยุ่งอยู่สบายๆมีความสงบร่มเย็นเป็นเรือนอยู่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 มันสวยตรงที่ความสัมพันธ์ความสําคัญมั่นหมายของกิเลสมันหลอกมันฉาบเอาทาบุรุษตาฟางให้ฝ้าไปหมดมองไม่เห็นตามความจริงเห็นแต่ตามความจอมปลอมของกิเลสทั้งนั้นผิวหนังบางๆก็เป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรเพียงบางๆเท่านั้น แล้วมันครอบไปหมดในสิ่งปฏิกูลโสโครกอ น, นิจังทุกขงหาตาป่าชา้าผีดิบอยู่ในนั้นไม่มีเลยหนังอันบางๆนี่มันครอบไปได้หมดเลยเป็นความสวยความงามความน่ารักใครชอบใจน่ากำหนับยินดีสร้างกิเลสตัณหาสร้างความวุ่นวายสร้างความกังวลสร้างความห่วงใ ย, ยอ้อยอิงไปได้หมดนั่นน่ะเห็นไหมเรื่องของอวิชชาปัจจะยามันหลอก ตัวมันข้าปลอมภาในจิตแล้วมันก็หลอกจิตซึ่งยังไม่มีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้หลงไปตามมันจนได้เพราะฉะนั้นจริงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะอ้าวมันติดรูปไหนมันว่าสวยว่างามว่าดิีว่าดีที่ตรงไหนนำมาคลี้คลายดูให้เห็นตามหลักความจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอาจนมันแหลกละเอียด หายสงสัยย้อนเข้ามาดูภายในร่างกายของตนกับอันนั้นมันก็อันเดียวกันอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแตกกันแม้แต่น้อย เ, ออเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันจะยุ่งไปวุ่นไปกับอะไรออความวุ่นเป็นของดีแล้วหรอือความฟุ้งเฟอเ้อเหวิ่งเต้นเพ่นกระโดดอี่ด้วยความคิดความปรุงตามอารมณ์ต่างๆมันเป็นความสุขแลเหลือเมื่อจิตใจได้รู้เห็นชัด ตามสิ่งหน้อนั้นด้วยปัญญาที่ีคลายดูให้เห็นตามหลักความจริงนี้แล้วจิตจะหนีไปไหนมันก็ย้อนเข้ามาสู่ตัวเองเท่านั้นเองอ๋ออันนั้นก็หลอกอันนี้ก็ลวงเ ห, เห็นไปชัดปไปพลิกนาไปกว้างแค่ขนาดไหนมันก็เหมือนกันหมดในโลกฐานนี้นั่นแหละที่นี่กลายเป็นโลกวีทูขึ้นมาย่อยๆแล้วค่อยแยบขึ้นมาแยบขึ้นมาเป็นโลกวีทู ภายในตัวของเราฉันใดโลกธาตุนี้กว่าฉันนั้นอันิจ้จังทุกขังอนัตตาภายในตัวของเราฉันใดในโลกธาตุนี้ซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาแบบเดียวกันหมดยิ่งช่ำชองยิ่งชำนิชำนาญยิ่งคล่องแคล่วว่องไวในการพิจารณาแม้วจะติดข้างอะไรก็นม่นั่นเนี่ยสติปัญญาออกเดินไป็นแบบนั้นนี่ที่เรียก เครื่องหลอกลวงวะนั่นสวยนี่งามานั้นเป็นนิจังนี่เป็นสุขขังนั้นเป็นอัตตาค่อยลบเดือนลงไปลบเดือนลงไปจนหายซากไปทีนี้รวมลงแล้วก็เป็นอนัตตาทั้งมวลนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีส่วนมากมักจะรวมลงอนัตตาด้วยความถนัดใจของผู้พิจารณาของพระปฏิบัติทั้งหลายดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าทัตเทธมานาตานะ ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารนิ ญ, ญาณไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเป็นขัพเทธรามาทั้งสิ้นสุดยอดแล้วลงปตรงไหนนี่แหละปัญญาที่เมื่อถึงขั้นออกพิจารณานี่แล้วกิเลสจะหมอบหล่ะที่นี่ค่อยหมอบไปหมอบไปกำลังของกิเลสน้อยลงกำลังของของธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นหลักใหญ่ มีความหนาแน่นมั่นคงมีความขนาดแหลมคมเข้าไปโดยลำดับลาดับตามต้นไปหมดตดงไหนติดตรงไหนพิจารณาทันทีทันทีไม่มีคำว่ารอเว ล, เวลามีแต่เจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปเผาเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยจนกระทั่งไม่มีอิเดยาบทมีแต่เวลาที่รบอยู่เท่านั้นมีแต่เวลาต่อสู้ ไม่มีคำว่าถอยนอกจากพักผ่อนนอนหลับร่างกายชั่วการเวลาเท่านั้นตอนนี้เพลินเรื่องคำว่าทุกข์ยากลำบากในการประกอบความเพียรหายหน้าไปหมดที่เราเคยทำมาแบบลำลุกคุ้กคานทั้งขี้เกียจขี่คล้านอ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยของสกรปกรกเลวไหลไม่เป็นท่าพาในตัวนั้นหายไปหมด มีแต่ความอยากรู้อยากเห็นอยากหลุดอยากพ้นประจักษ์ใจประจักษ์ใจโดยลำดับเห็นอะไรด้วยปัญญามันซึ้งจริงๆนี่ไม่ซึ้งมันปล่อยได้อย่างไรนั่นจึงว่าเห็นจริงไม่ใช่เห็นปลอมเห็นปลอมหลอกไปเรื่อยหลงไปเรื่อยเพลือนไปเรื่อยโศกเศร้าไปเรื่อยทุกข์ไปเรื่อยนั่นคือความเห็นอย่างจอมปลอมตามหลักของกิเลสที่มันเชื่อมสอนเห็นตามหลักของธรรมมันกลับปะปรกัน แก้กันด้วยหลักความจริงแล้วปล่อยไปด้วยไม่ต้องบอกคาว่าปล่อยเมื่อมันซึ้งถึงใจแล้วปล่อยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่มีอะไรเหลือเนี่ยปัญญาเมื่อถึงขั้นเทินแล้วเธินจริงจรับตื่นลืมตาเธินอยู่ตลอดเน่กินไม่ได้กินได้นอนไม่นอ น, ไ ม, น, อนไม่สนใจนอกจาก การสู้รบกันให้ ใ, ใครชนะเป็นภาคเป็นภาคเป็นภาคสุดท้ายกิเลสมอบฮะแล้วก่อนกิเลสเพ่นพ่านเหยียบแต่หัวเราเนั่นแหละเหยียบย่ำทําลายให้รับความทุกข์ความลาบากยิ้มท่าว่าเป็นธรรมดาเหมือนคนเราแสดงเป็นกิริยาออกมาเหมือนมีสกุลากายนี้เนี้ยจะเรียกร้องหาความช่วยเหลือเจ้าของนี่เสียงลั่นโลกธาตุนึ่ง เพราะถูกกิเลสเหยียบกิเลสเยีย บ, ย, บย่ำทำลายหาความสุขความสบายไม่ได้เลยมีเพียงขณะที่หลับสนิทขณะเดียวเท่า น, านั้นตอนนั้นกิเลสก็สงบตัวไม่ออกทํางานไม่ออกเพลนพลาดไม่เหยียบย่ำทําลายจิตใจใจได้นะความสงบสบายขณะที่หลับสนิทนี้เท่า น, านั้นพอตื่นขึ้น ขึ้นมาเท่านั้นกิเลสก็ตื่นทำงานพร้อมกันแล้วก็เยียบย่ำทางนานตั้งแต่บันนานตัดเึงพูดได้เต็มปากว่าความทุกข์แสนสาหัสที่กิจจะรับอยู่ตลอดเวลามานั้นันะถึงกับขนาดเรียกร้องถ้าเป็นจิริยาที่สแสดงออกหน้าเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าของจากใครก็ตาม ไม่มีเวลาอยุดป่าเสียงลั่นโลกธาตุเพราะความทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหมวลไม่ใช่ทุกเพราะอะไรเมื่อถึงขั้นปติปัญญามีความสามารถแก้กล้าแล้วกิเลสเหล่านั้นหมอบไปหมอบไปโดยลำดับจิตที่เรียกร้องหาความช่วยเหลือก็ไม่ต้องเรียกร้องก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วอย่างเต็มที่เต็มฐานไม่ว่าอยาบทใดต่อสู้กันอยู่ตลอดเดวลาจนกระทั่งมันหมอบ หมอบที่ตรงไหนก็หมอบไปเถอะเพื่อขึ้นชื่อว่าสติปัญญาผัานจึงกล่าวนัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างก็จางแจ้งความสอดสองมองทะลุอันไหนเล่าจะเหนือสติปัญญาไปได้มันแทรกไปได้จนหมดจนกระทั่งกิเลสมันมีมืดอยู่ที่จุดไหนจุดไหนที่มีกิเลสจุดนั้นต้องมืดจุดนั้นต้องมัวสติปัญญาต้องตามเข้าไปตามเข้าไปกระจายออกหมดกระจายออหมดรอบดวงจิตหมดแล้ว ไม่มีอันใดที่จะฝังอยู่ภายในจิตแทรกเข้าไปได้หมดก็คือปัญญาทะลุไปหมดแล้วทุกมีที่ไหนที่นี่ที่เคยทุกมาลำบากลำบนมาภายในหัวใจไม่มีที่ตรงที่วางตรงแล้วด้วยอํานาจของสติปัญญาอันถันสมัยที่ว่ามหาสติมหาปัญญาอฆ่าลงไปแล้วพินาศที่หายลงไปแล้วจอมวัตจักรจอมวัตกิจ คืออวิชชาปัญาสั้างขาทุกทำลายลงไปด้วยอำนาจแห่งส ต, ติปัญญาตโนมัตินี่ไม่มีเหลืออยู่แล้วนั่นแหละที่นี่เรื่องความเพียรที่เคยหนักเบามามากน้อยหมุนตัวเป็นเกลียวเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์จะยุติลงทันทีโดยไม่ที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับให้ยุติไม่ยุติจะไปรบกับอะไรสู้กับอะไรก็รู้จักชันแล้ว่หมดฆ่าศึกหมดแล้วน่ะ สิ่งที่มาเกาะเกี่ยวที่จะให้พิจารณาต่อไปหมดลงเพียงเท่านี้แล้วอะไรอะไรจะฉลาดยิ่งกว่าปัญญามันก็รู้เองตดตอยศาสตราอาวุธที่ต่อสู้กับยิ่งเด็ดมีมากน้อยปตอยวางลงตามเป็นจริงนั่นน่ะในศัจริธรรมทั้งสี่ท่านจึงกล่าวไว้ว่าทบทให้พึงกําหนดรู้นะเพียงรู้เท่านั้นอืสมุทัยพึงละ ละสมุทัยจะละด้วยวิธีไหนถ้าไม่ละด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันเป็นเรื่องของมรรคจะไปละสมุทัยได้อย่างไรหนันมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้นี่เราที่นี่เรื่องมรรคเนี่ยจะปีกระจาไปนะ่ะเกี่ยวกับเรื่องสมุทัยนิโรธพึงทำให้แจ้งหนว่าทำให้แจ้งด้วยอะไรทานิโรธให้แจ้งถ้าไม่ทำให้แจ้งด้วยมรรคคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ จะเอาอะไรทาให้นิโรธแจ้งเยมันเกี่ยวโยงกันไปนเมื่อทั้งนี้ทํางานเต็มที่แล้วนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นจากการประหา ร, รยิ่งเด็ดด้วยมากนี้แล้วก็เป็นขึ้นมาเองดับสนิทนี่สมุทัยก็ดับไปจากใจทุกข์ที่เป็นผลของสมุทัยซึ่งเคยมีในใจก็ดับสนิทคําว่าดับสนิทนั่นคือนิโรธทำ แสดงตัวเต็มที่เพราะอำนาจของมรคฆ่าให้ตายอย่างสนิทแน่แล้วที่นี่จะมีอะไรหนึงอ่ะทีนี่ที่กลาวมาทั้งมวลศัจธรรมทั้งสีนี้เป็นกิริยาของสมมุติทั้งมวลทุกก็เป็นสมมุติส ม, มุทัยก็เป็นสมมุติฝ่ายยีดฝ่ายขวางฝ่ายกาั้นกลางจิตใจไม่ให้ไปสู่จุดประสงค์คือความหลุดพ้นไปได้ มารกเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องทำลายกิเลสประเภทเหล่านั้นจนกระทั่งปรากฏเป็นความดับทุกข์ขึ้นมาที่เรียกว่านิโรธให้สนิทไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วหมดกิริยามารกพึงอบรมให้มีท่านว่าภาเวตบันติเมพิคอยพึงอบรมอบรมคือหมายถึงส่งเสริมบำรุงให้มี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 มากเพิ่งทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาแล้วภายในหัวใจนี้นั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์อันนี้ไม่ใช่กิริยาอันนี้ไม่ใช่สมมตินี่แหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระจักพระไทยนำเป็นอาการออกมาสอนโลกดวงพระธรรมจริงๆคือ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 แล้วมีน้ำหนักขนาดไหนมีความแปลกประหลาดอัจฉ ร, รย์ตางอะไรบ้างเพียงไรแค่ไหนจะไม่นอกเหนือจากปฏิบัติทาแห่งการดาเนินนี้ไปได้เลยนี่แหละลากความจริงของธรรมท่านสอนมาอย่างนี้คงแส้คงว่าไม่มีว่าสมัยโน้นบรรลุมรรคผลนิพพานมีมรรคผลนิพพานสมัยนี้เป็นโมฆะมรรคผลนิพพานไม่มีไม่ว่าสมัยไหนถ้าลง มักคือปฏิบัติการเครื่องดําเนินเพื่อความเป็นคนดีไม่มีแล้วผลแห่งความสุขความสบายจะหามีในคนนั้นไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดอยู่ขึ้นอยู่กับสัจธรรมทั้งสี่นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้งสีจึงเป็นหัวใจของพระศาสนาโดยตรงอยู่ภายในจิตใจของเหล่านี้ถูกทันเพรานั้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติ อ, อ่าโดยทอดท้อถอยลดละความเพียรเรามีคุณค่าเต็มตัวแล้วเวลานี้เป็นพระได้ สร้างกิจการงานของพระโดยสมบูรณ์ด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทุกประโยคนั้นจะทนฝีมือของเราไปได้อย่างไรเราเป็นศิริตถาคตทองไม่เป็นผู้ท้อถอยอ่อนแอเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาพยายามฟิตขึ้นมาฟิตขึ้นมาเราเป็นลูกศิริตถาคตอย่าอยู่แบบงูนั่งแบบงูนอนแบบงูให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายด้วยความอ่อนแอเดี๋ยวไหลใช้ไม่ได้เลย นี่แหละหลักประกันตัวเราจะไม่นอกเหนือจากหลักธรรมที่พระเจ้าประทานให้แล้วนี่เลยเอาอันนี้เป็นเครื่องประกันตัวเป็นเครื่องรักษาตัวเราจะเห็นความเด่นคําอัศจารย์ขึ้นภายในจิตเมื่อได้ถึงขั้นนี้แล้วอดีตหมดความกังวลในเรื่องอดีตเคยเป็นมาอยงางไนมันประาจากอยู่กับใจนั่นแล้วใจนี้ได้ขาดสะบั้นออก มันสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจได้ขาดสะบั้นออกแล้วที่ความเป็นมาตั้งแต่อดีตเคยเป็นเกิดเป็นอะไรอะไรเพราะอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิดมันบอกในตัวเสร็จอนาคตมันจะมีไปได้ยังไงมีไปได้ผู้เห็นอะไรก็เพราะเชื้อคือวิชาปัจญญาเวลาเนี้ยวิชาปัจญญาซึ่งเป็นเชื้อที่เคยวานพืชเป็นผลมาโดยลําดับและจะวานพืชเป็นผลให้เกิดจิตใจเกิดในภพน้อยภพใหญ่มัน ผุาดสะพานุองพนาจิตใจด้วยสตรรยิปัญญาสตางค์ของแกนี้แล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรปัจจุบันนี้ก็คือความบริสุทธิ์ล้วนๆหมดเรื่องหมดราวหมดอดีตอนาคตหมดพพหมดชาติหมดอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจประจักษ์ที่ใจจางอาจทานทานช า, นายโดยดักธรรมชาติไม่ต้องเศษสรารปั้นหยอ่อาตายวัไนไหนก็ตา ย, ตายไปก็เรื่องสมมุติอั น, นิจ้จางทุกขังต า, ตาเรียนอยู่แล้วรู้อยู่ประจักษ์ใจแล้วตื่นหาอะไรมะ อย่างเกิดตื่นตายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นเราก็เรียนอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเมื่อได้เห็นเต็มภูมิภายในจิตใจแล้วจะตื่นเต้นไปอะไรอยู่ก็อยู่ไปตามความรู้จริงเห็นจริงนั่งอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความรู้รอบขอบคิดไปก็ไปตามธรรมชาติทัง้งหมอไม่มีปัญหาอะไรขอให้ทุกๆุท่ทา น, นพยายามอย่า รุนละความเพียรอย่าอยู่เฉยๆแบบเจ้าโซ่ซาซาละเอียดเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราเป็นนักปฏิบัติสติปัญญาเป็นคู่เคียงกับหัวใจเราหัวใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่มันไม่มีคุณค่าก็เพราะสิ่งสั่ช้าเร็วซามเข้าเหยียบย่ำทําลายจึงกลายเป็นของหมดคุณค่าไปแก้มันออกให้หมดชำระมูดคูดเต็มอยู่ภายในจิตมูดคู่คืออะไร ขี้โรคขี้โกรขี้รองมันมีแต่ขี้ทั้งนั้นเต็หมหัวใจล้างมันออกให้หมดหมดขี้แล้วก็ประสรนะอา จ, จารย์กาก่เห็นมั่สมควรเห็นคำนี้เริ่มเริ่มรู้สึกเหน่อย